เจ้าชายมีความระลึกถึงตนแต่แซงถามด้วยกลมารยาแห่งสตรีว่าเมื่อรักและระลึกถึงดังปากว่าเหตุฉะไหนเจ้าชายจึงปล่อยปละและเลยหม่อมชั้นเยี่ยงนี้ที่ว่ารักและระลึกถึงนั้นเห็นจะรักและเลื่อลึกถึงเพียงแต่ปากดอกกระมังหาได้ลึกลงไปถึงหัวใจไม่